จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ทรรทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นมนงการที่21ุ่่มภกาพัน์พุทธศักราช2 5 5 5เป็นวันพระวันธรรมัฒสวระวันฟังธรรมวันทาความเพียรคือศึกษา เพียงศึกษาเพียงปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะความเพียรเป็นเหตุที่จะทำให้ได้รับผลที่ปานาคือการพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะพ้นจากความทุกข์ได้จะต้องพ้นด้วยความเพียรโดยมีศรัทธา เป็นผู้เริ่มศรัทธาก็คือความเชื่อในพระธรรมคาสอนเมื่อเชื่อแล้วก็เพียงปฏิบัติเพียงปฏิบัติอะไรก็เพียรปฏิบัติให้เจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญานั่นเองถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญามีความเพียรมรผลผนิพพาน คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนนี่คือความเพียรในทางพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงสอนให้เราภาคเพียรทำอยู่สประการด้วยกันคือ 1. เพียรสร้างความดีหรือคุณธรรมดีที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้น 2. ให้รักษา คุณธรรมความดีที่มีอยู่ให้คงไว้สให้ละความชั่วแ ล, ล, ละบาปทั้งหลายที่ยังไม่ได้ละและสให้เพียรป้องกันไม่ให้บาปและความชั่วที่ได้ละแล้วนั้นหวนกลับคืนมาถ้าเราสามารถเพียรอยู่ใน สี่ประการนี้ได้ผลที่ดีที่ประเสริฐที่พระพุเจ้าและพราะอราิยสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลของพวกเราอย่างแน่นอนดังนั้นข้อแรกเราควงกระทํากันก็คือบันสร้างความดีกันที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นถ้าเรายังไม่เคยทําบน ให้ทานเราก็มันทาบุญให้ทานกันถ้าเราเคยได้ทาบุญให้ทานแล้วเราก็ทำให้เพิ่มมากขึ้นไปจนให้ครบร้อยให้เต็มที่ทำให้เต็มที่เลยการทาบุญให้ทานให้เต็มที่ก็คือให้หมดเลยมีเท่าไหร่ก็ให้หมดเลย เก็บไว้เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นส่วนที่ไม่จำเป็นที่เราไม่ต้องอาศัยไม่ต้องมีเก็บเอาไว้ก็เอาไปทำบุญให้หมดเลยอย่างพวกที่มาบวชเป็นพระนี้ท่านก็ได้ทำบุญหรือให้ทานหมดแล้วมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงใรก็ให้ไปหมด มีข้าวของมีบุคคลต่างๆก็ยกให้คนอื่นไปหมดถ้ามีสามีมีภรรยาก็ยกให้คนอื่นไปปล่อยให้เขาเป็นอิสระเขาอยากจะไปมีคู่ครองใหม่ก็เยิน ด, ยดีไม่เสียอดไม่เสียใจนี่คือทางคือการให้ให้ได้ทั้งเงินทองข้าวของและบุคคล เพราะเงินทองข้าของและบุคคลนี้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขนั่นเอง <Yeah. S 1> ผู้ที่ยังต้องมีเงินมีทองมีข้าวของมีบุคคลต่างๆ <Yeah. S 1> ก็จะต้องทุกข์กับข้าวของเงินทองทุกข์กับสิ่งของทุกข์กับบุคคลต่างๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปเวลาเปลี่ยนไปหรือหมดไปก็จะทำให้ไม่สบายใจทำให้เกิดความเสียใจขณะที่มีอยู่ด้วยกันก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ไปได้นานเท่าไหร่จะดีได้นานเท่าไหร่จะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่นี่คือความทุกข์ ของการมีเข้าของเงินทองมีบุคคลที่เราไม่จำเป็นควรที่จะสละไปควรที่จะยดเลิกไปเช่นทาง น, นี่ก็แปลว่าการให้สิ่งต่างๆที่เราไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้นั่นเองอย่างวันนญาติโยกก็นำเอาเข้าของเงินทองปัดเงินทอง อาหารขาวหวานเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆมาให้กับพระอันนี้ก็เป็นทานอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ควรจะทําให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่จะให้แล้วเราก็หยุดให้ได้ไม่จาเป็นจะต้องไปหามาเพื่อเอามาให้ใหม่การให้นี้เพื่อให้เรา ให้ในสิ่งที่เรามีมากเกินไปตามหมดแล้วก็ถือว่าไม่ต้องให้แล้วไม่ใช่พอหมดแล้วก็ไปหามาอีกเพื่อที่จะมาให้อีกอันนี้ไม่ใช่เป็นการทำทานการทำทานเพื่อปลดเรื้องสิ่งต่างๆที่เรามีมากเกินไปให้พ้นจากความรับผิดชอบของเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์มากังวลกับเขา เมื่อหมดแล้วเราจะได้มีเวลาที่มาละบาต่อไปคือนอกจากทำสร้างความดีที่ไม่มีให้เกิดขึ้นแล้วและรักษาความดีที่มีอยู่นี้ให้คงอยู่กับเราแล้วเราก็ยังต้องมาละบา ท, ที่เรายังไม่ได้ัะ เช่นวันนี้เราก็มาสมาทานศีลห้ากันแปลว่าเราจะาละบาปห้าข้อด้วยกันคือจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติถือประเวณีละเว้นจากการพูดปดละเว้นจากการเสพสุลายาเมานี่คือการละบาปห้าข้อด้วยกัน ถ้าเรายังไม่เคยละเราก็มาละกันถ้าเราละได้แล้วเราก็ควรที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกจากห้าข้อก็เป็น8ดข้อคือละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนละเว้นจากการรับประทานอาหารหลําจากเที่ยงวันไปแล้วละเว้นจากการหาความสุขจาก การบันเทิงต่างๆเช่นน้องนำทำเพลงดูหนังดูละครละเว้นจากการแต่งเนื้อแต่งตัวหรือใช้เครื่องสำรที่ให้มีความรู้สึกมีความสุขแล้วก็ละเว้นจากการนอนบนฟูกหนาๆให้นอนบนพื้นไม้ปูเสือ่อหรือปูผ้า เพื่อที่จะได้ไม่นอนมากเกินไปถ้านอนบนฟูกหนาๆแล้วจะหนังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากลุกอยากจะนอนต่อก็จะทำให้เสียเวลาที่จะได้มาทำความภาคเพียรทำความดีที่เรายังไม่ได้ทำอีกข้อหนึ่งก็คือการภาวนาเราทาทานแล้วละบาปแล้ว ข้อต่อไปที่เราต้องทำก็คือเราต้องมาภาวนามาสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในใจของเราเพราะความสุขภายในใจของเรานี้มีคุณค่ากว่าความสุขของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่าความสุขภายในใจเราไม่มีโทษตามมานั่นเองคือไม่มีความทุกข์เพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะ รากจากเราไปได้เราสามารถรักษาความสุขภายในใจให้อยู่กับเราไปได้ตลอดมีความสุขเดียวเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เองความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่อยู่กับเราไปตลอดมาแล้วก็หายไปมาแล้วก็หายไป เหมือนเราไปเที่ยวเราก็มีความสุขพอเรากลับบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปไม่ว่าเราจะได้ความสุขจากในรูปแบบใดก็ตา่างเราก็จะได้ความสุขเพียงในขณะที่เราได้สัมผัสแต่พอผ่านไปแล้วความสุขนั้นก็กลายเป็นอดีตไปปล่อยให้เราเหลืออยู่แต่ความอ้างว้างเ่าเปลียว หรืออยู่หรืออยู่กับความหิวความอยากที่จะได้สัมผัสกับความสุขต่างๆอีกแต่ความสุขภายในใจนี้พอเราสร้างได้แล้วเราก็จะสามารถรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะเป็นจะตายความสุขภายในใจนี้ก็จะอยู่กับเราไปเสมอความสุขภายในใจนี้ มีกำลังเรือมีพลังมากกว่าความสุขทางทางทางตาหูจมูกริมกายหรือทางลาบยศสารเสือเช่นสมมติว่าเรามีความสุขกับลาบกับการได้ลาบยศสารเสือกับการได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆแต่ถ้าร่างกายของเรา เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาความสุขต่างๆเหล่านั้นก็จะหายไปหมดเลยแต่ถ้าเรามีความสงบอยู่ภายในใจถึงแม้ว่าร่างกายจะทุกข์อย่างไรก็ตามจะทุกข์ด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทุกข์ด้วยการอดยาขาดแคลนหรือทุกข์กับกับสภาพที่แร้นแค้นต่างๆ ความทุกข์เหล่านี้ก็จะไม่มีกำลังที่จะมาลบล้างทำลายความสุขที่มีอยู่ภายในใจของเราได้เลยเราใจของเรากลับจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากร่างกายที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายที่เกิดจากการอดอยากขาดแคลน หือที่เกิดจากการประสบกับภัยต่างๆ <c oughs> ความทุกข์ต่างๆหล่างนี้จะไม่เป็นปัญหากับใจของผู้ที่มีความสงบเลยในทางตรงกันข้ามถ้าใจไม่มีความสงบเลยถึงแม้จะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมไปหมดเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหากษตรแต่ก็จะ ต้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะจะต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องเกิดความเสียใจบ้างเกิดความวุ่นวายใจบ้างเกิดความว่างวุ่นขุนมัวมากบ้างความทุกเหล่านี้นั้นจะไม่จะทําให้ใจของผู้ที่ไม่มีความสงบนี้ต้องวุ่นวายใจไม่มีความสุข ถึงแม้จะมีเงินทองมากมายเพียงไรก็ตามถึงแม้จะมีตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ตามความสุขที่ได้จากเงินทองได้จากตำแหน่งนี้จะหายไปหมดเลยเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการ สร้างความสุขภายในใจมากกว่าความสุขภายนอกเพราะความสุขภายนอกเป็นความสุขปลอมความสุขภายในเป็นความสุขแท้เป็นความสุขจริงความสุขภายนอกเป็นความสุขชั่วคราวความสุขภายในเป็นความสุขถาวรตายไปเราก็ยังสามารถเอาความสุขภายในไปกับเราได้ แต่ความสุขภายนอกเวลาตายไปนี้เอาไปไม่ได้เลยมีสมบัติกองเท่าภูเขาก็เอาไปไม่ได้มีตําแหน่งสูงขนาดไหนก็เอาไปไม่ได้ร่างกายที่ตายไปนี้ก็เอาติดตัวไปไม่ได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เอาไปไม่ได้นี่คือความแตกต่างระหว่างความสุข ายนอกกับความสุขภายในใจอย่างนั้นเราจะไม่ควรหลงละเริงอยู่กับการหาความสุขภายนอกมากจนเกินไปหาให้มาพอที่จะอยู่อย่างปกติไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายแล้วก็เอาเวลาที่ว่างนี้มาหาความสุขภายในดีกว่าเช่น มาทำบุญอย่างที่ท่านทำกันในวันนี้แล้วก็มารักษาศีลรักษาศีลแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาเจริญสติเบื้องต้นเราต้องเจริญสติก่อนเพราะสตินี้เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดสมาธิตามมาและเมื่อมีสมาธิสมาธิก็จะเป็นเหตุ ที่จะทำให้เกิดปัญญาตางมาปัญญาก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้ความทุกข์ดับไปความทุกข์หายไปจากใจนี่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติซึ่งข้ามขั้นไม่ได้ถ้าข้ามแล้วก็จะไม่ได้รับผลถ้าไม่เจริญสตินั่งสมาธิอย่างไรก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ ถ้าไม่มีความสงบไม่มีความสุขภายในใจก็จะไม่สามารถตัดความสุขภายนอกได้แต่ถ้ามีความสุขภายในที่มีอนุภาพมีคุณค่ามากกว่าความสุขภายนอกพอพิจารณาเห็นว่าความสุขภายนอกไม่เที่ยมเป็นเหตุของความวุ่นบายใจทั้งหลายก็จะสามารถตัดได้ละได้ การดับทุกข์ก็เกิดขึ้นตามมาด้วยสติก่อนแล้วตามมาด้วยสมาธิและตามมาด้วยปัญญาถึงจะทำให้ความดับทุกข์ต่างๆดับได้เพราะใจจะมีกำลังที่จะตัดความสุขต่างๆที่ไปหลงยึดติดอยู่จะสามารถตัดลาคยศสรรเสริญสามารถตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ เพราะอะไรเพราะมีความสุขที่ดีกว่าอยู่ภายในใจนั่นเองความสุขที่เกิดจากความสงบคือสมาธินี่เองดังนั้นเราต้องทําจิตให้สงบให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะเจริญปัญญาเพื่อตัดกิเลสอุปทานความยึดติดอยู่กับความสุขต่างๆทั้งหลายถ้ามีความสุขภายในใจแล้วจะ อยากจะออกบวชมากกว่าอยากจะอยู่ในโลกในสังคมเพราะจะรู้สึกว่าสังคมนี้มีเรื่องมากมี ม, มีมีปัญหามากมีความทุกข์มากไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้วยมีสมบัติเข้าของเงินทองเท่าไหร่ก็ยินดีที่จะยกให้กับผู้อื่นไปมีสามีมีภรรยามีอะไรก็สามารถยินดีที่จะยกให้ผู้อื่นไป ขออย่างเดียวเท่านั้นขอให้ได้อยู่คนเดียวตามลาพังขอให้ได้อยู่กับความสุขความสงบภายในใจเพราะเป็นความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเองดังนั้นพวกเราจึงควรให้ความสนใจต่อความภาคเพียนในการเจริญสติเจริญสตินี้เราสามารถเจริญได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลา นอกจากเวลาหลับเท่านั้นและควรจะทำทุกแห่งทุกผลทุกเวลาด้วยอย่ามาทำแต่เฉพาะเวลาที่มาวัดหรือเวลาที่เรานั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเพราะถ้าทำเพียงเวลานั้นสติจะไม่มีกำลังมากพอที่จะดึงให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ผู้ที่นั่งสมาธิมาเป็นเวลาหลายเดือนหลายปี แล้วไม่พบกับความสงบสักทั้งเลยก็เป็นเพราะว่าไม่เจริญสติก่อนนั่นเองเหมือนกับคนที่ยังยืนไม่ได้จะไปเดินได้อย่างไรต้องหัดยืนก่อนตอนนี้ยังยืนไม่ได้แล้วจะไปเดินได้อย่างไรตอนนี้ยังไม่มีสติควบคุมใจควบคุมความคิดไม่ให้คิดฟุง้งซ่านไม่ให้คิดรื่อเปื่อย และเวลาจะทำให้ใจสงบหยุดคิดนั้นจะทาได้อย่างไรดังนั้นในเบื้องต้นจ้องเจริญสติก่อนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยก่อนที่จะลุกขึ้นมาจากเตียงนี้ให้ตั้งสติก่อนให้กำหนดเลยว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรหรือเปล่าถ้าคิดก็หยุดคิดเสียแล้วให้มาดูที่ร่างกายว่า จะทำอะไรกับร่างกายต่อไปจะลุกขึ้นจะเดินจะเข้าห้องน้ำจะอาบน้ำจะแต่งตัวจะรับประทานอาหารจะเดินทางไปทำงานก็ให้มีสติเฝ้าอยู่กับการกระทำต่างๆเหล่านี้อย่าไปคิดเรื่องต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดถ้ามีความจำเป็นจะต้องคิดก็หยุดนั่งเฉยๆหรือยืนเฉย ๆ, ๆ แล้วก็คิดให้พอคิดว่าวันนี้ต้องไปทำอะไรบ้างต้องไปพบกับใครมีธุระกับใครมีงานอะไรต้องทำก็คิดเอาไว้ให้เรียบร้อยพอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาทำงานของร่างกายต่อไปเช่นเดินทางไปที่ทำงานก็ให้เฝ้าดูการเดินทางของร่างกายอย่าไปคิดเรื่องต่างๆไม่เกิดประโยชน์ ถ้าใจไม่ยอมหยุดคิดก็ต้องใช้พุทธโธนด่งเอาไว้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปขณะนนที่เรากำลังทำอะไรต่างๆกำลังเดินทางไปที่ทำงานก็บริกรรมพุทธโธไปพอถึงที่ทํางานก็บริกรรมพุทธโธไปทำอะไรก็บริกรรมพุทธโธไปพอเรามีเวลาว่างเราก็ควรหามุมสงบแล้วนั่งหลับตา แล้วก็บริกรรมพุโทโธไปอย่างเดียวอยากคิดอะไรหรือถ้าเราอยากจะดูลมหายใจก็ได้ก็ให้ดูลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องบริกรรมถ้าเราดูแล้วใจเราไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ดูลมหายใจได้แต่ถ้าดูลมหายใจแล้วใจยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ควรที่จะบริกรรมพุโทโธไปก่อนอย่าไปดูลม ให้บริกรรมพุโทโธอย่างเดียวให้มีสติอยู่ที่คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปจนกว่าจะรู้สึกเย็นสบายไม่คิดอะไรแล้วไม่มีความคิดอะไรมาแทรกแล้วถ้าอยากจะทําต่อด้วยพุโทโธก็ทําต่อได้หรือถ้าอยากจะหยุดแล้วดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ดูได้ถ้าทําอย่างนี้ไปต่อเนื่องไม่นานเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ เวลาจิตรวมลงนี้จะเหมือนวูบลงไปเหมือนดด่งลงเหว ล, ลงก้นบอ่อขณะนั้นมันจะลงแบบที่เราไม่คาดฝันมาก่อนเราอย่าไปคาดอย่าไปคเนอย่าไปเก๊อย่าไปเลงเพราะถ้าเราไปเลงแล้วผลจะไม่เกิดเราต้องอยู่กับพุทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นแล้วมันจะลงไปเองเวลาลงแล้วใจก็จะสงบเย็นสบาย มีความสุขเป็นอุเบกขาว่าไม่มีอะไรให้เห็นให้รู้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิที่ถูกต้องหรือสัมมาสมาธิถ้าจิตสงบแล้วปรากฏเห็นนั่นเห็นนี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเพราะไม่ได้เป็นสมาธิที่จะเป็นฐานเป็นกำลังของปัญญา สมาธิที่เห็นนั้นเห็นนี้จะไม่มีกําลังตัดกิเลสไม่มีกําลังตัดความสุขต่างๆที่ยังยึดติดอยู่ต้องเอาสมาธิที่ว่างที่สงบใจเป็นกลางใจเป็นอุบเบกขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรถ้าเกิดรู้เห็นอะไรขึ้นมาก็ให้ดึงกลับมาที่ใจดึงกลับมาที่ผู้รู้หรือกลับมาที่พุโทโธก็ได้ อย่าตามไปรู้สิ่งต่างๆที่ปรากฏให้เห็นถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าน่าพิศวงน่าย่ายินดีแต่มันไม่เป็นประโยชน์กับการเจริญปัญญากับการทำลายดิเลสกับการดับความทุกข์เพราะจิตจะไม่มีกำลังหลังจากออกสมาธิมาแล้ว ก็จะไม่มีกําลังที่จะตัดสิ่งต่างๆได้เวลาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ตัดไม่ได้เวลาวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ตัดไม่ได้เพราะไม่มีกําลังรู้ว่าควรจะตัดแต่ตัดไม่ได้รู้ว่าไม่เที่ยงรู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่ก็ตัดไม่ได้เพราะไม่มีกําลังนั่นเองแต่ถ้าจิตสงบว่างอยู่ ไม่เห็นอะไรเลยนี่พอออกจากสมาธิมาแล้วพออยากได้อะไรขึ้นมาก็ใช้ปัญญาตัดได้ถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงเอามาทำไมถ้าเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราเอามาทำไมเอามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปเอามาทำไมสู้เอาของที่เป็นของเราดีกว่าก็คือความสงบความสุขภายในใจใจก็จะตัดความอยากได้ แล้วก็จะกลับมาสู่ความสงบสุขที่ได้มาจากสมาธิต่อไปนี่คือการปฏิบัติตั้งแต่ทานศีล ส, สมาสติสมาธิปัญญาเป้าหมายของการปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็เพื่อการตัดความยึดติดในความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความทุกข์มากกว่า เพราะเมื่อเราได้อะไรมาแล้วเราก็จะรักจะหวงจะห่วงจะทุกข์เวลาที่เราต้องเสียเข้าไปหรือจากเขาไปดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จึงไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความทุกข์ที่แท้จริงมากกว่าความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจ ส่วนความทุกข์ที่เกิดจากการภาค น, นี้ก็เป็นความทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นทุกข์ในขณะที่เราต่อสู้กับกิเลสทุกข์กับการทำความดีทุกข์กับการรักษาศีลทุกข์กับการเจริญสติทุกข์กับการนั่งสมาธิทุกข์กับการเจริญปัญญาแต่พอตัด กิเลสตัณหาอุปทานความยึดติดอยู่ในสิ่งต่างๆได้แล้วความทุกข์เหล่านี้ก็จะหายไปหมดเลยเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวแล้วเมื่อมีความสุขเป็นเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําอะไรอีกแล้วไม่ต้องทําบุญให้ทานอีกแล้วไม่ต้องรักษาศีลอีกแล้วไม่ต้องเจริญสติไม่ต้อง นั่งสมาธิไม่ต้องเจริญปัญญาอีกแล้วเพราะจิตหายพย์แล้วจิตไม่ไปทำอะไรที่เป็นบาปอีกแล้วจิตไม่หวงไม่ลักไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆอีกแล้วได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยคิดจะเก็บเอาไว้ได้มาก็เอ า, เอาไปให้ผู้อื่นต่อไปเห็นอะไรอยากได้อะไรก็ไม่เคยคิดอยากจะได้ไม่เคยคิดที่จะไปลักไปขโมย ไปช่อโกงไปทาอะไรที่เป็นบาปเพราะจิตเป็นจิตที่ปกติจิตไม่พยศไม่เหมือนกับมา้าม้าที่พยศที่จะต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลและข้าวของต่างๆม้าพยศเขาจึงต้องมีเชือกผูกมัดเอาไว้มีคอกขัอของเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ไปทำลายผู้อื่นนั่นเองใจของผู้ที่ยังมีความโลภความโกรธ ก็เป็นเหมือนมาพยศยังยังต้องทำบุญให้ทานต้องรักษาศีลต้องเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาจนกว่าใจนี้จะหายพยศแล้วหายพยศจากความโลภความโกรธความหลงเมื่อไม่มีความโลภความโกรธ ค, ความหลงแล้วเรื่องของการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญสติสมาธิปัญญาก็หมดปัญ ก็หมดไปไม่จําเป็นต้องทําอีกแล้วเพราะการเจริญเหล่านี้เป็นเหมือนการรับประทานยานั่นเองถ้ายังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ต้องรับประทานยาแต่พอหายแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรับประทานยาต่อไปมรคนี้จึงเป็นทางเป็นบันไดเพื่อให้เราได้ไปถึงห้องที่เราต้องการจะไปถึงชั้นที่เราต้องการจะไปพอเราถึง ถึงชั้นที่เราต้องการไปนะเราก็เข้าไปไปชั้นนั้นเลยเดินเข้าไปในห้องนั้นเลยเราไม่มาเกาะยืนติดอยู่ที่บันไดเพราะถ้าเรายังยืนเกาะติดอยู่ที่บันไดเราก็จะไปไม่ถึงชั้นหรือห้องที่เราต้องการไปนั่นเองชัน้นใดเมื่อเราได้ทํางานได้ชําระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็ไม่ต้องปฏิบัติทําอีกต่อไปแล้ว อสิตัง ร, รมอาจารย์นี่ท่านบอกว่ากิจในกิจของพระมจารย์นี้ได้สิ้นสุดแล้วการทําบุญให้ทานนี้หมดแล้วการรักษาศีลนี้หมดแล้วการเจริญสติสมาธิปัญญาหมดแล้วไม่ต้องทําอีกแล้วเพราะทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอีกแล้วนั่นเองเพราะใจบริสุทธิ์เต็มที่แล้วจะไม่สามารถบริสุทธิ์มากไปกว่านี้ได้ เหมือนเสื้อที่เราซักจนสะอาดแล้วจะไปซักอีกร้อยครั้งก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็จะไม่สะอาดกว่าเท่าที่มันสะอาดอยู่แล้วนี่คืองานของทางพระพุทธศาสนาเป็นงานที่มีวันยุติมีวันซึ้นสุดได้เพราะว่าเราได้พบกับความอิ่มความสุขเต็มที่แล้วนั่นเองเหมือนกับการรับปรทานอาหาร เมื่อเรารับประทานอิ่มเต็มที่แล้วเราก็จะไม่รับประทานอีกแล้วรับประทานไม่ไหวแล้วนี่แหละ<ม>คืองานของที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ทํากันมาท่านทํางานของท่านเสร็จแล้วแล้วท่านก็ดําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่ได้ทํากัน<ม>ให้เรามาเพียร ม, มาทํากันด้วยความภาคเพียรสี่ประการนี้ คือเพียรทำความดีที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นเพียรรักษาความดีที่มีอยู่ให้คงไว้เพียรละบาปที่ยังไม่ได้ละแล้วก็เพียรป้องกันไม่ให้บาปที่ได้ละแล้วนั้นหวนกลับคืนมาเมื่อเราทำได้ครบเต็มที่แล้วเราก็จะไม่ต้องมีอะไรต้องทำอีกต่อไปจะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายหรือกับอะไรก็ตาม จะไม่มากระทบกระเทือนหรืองล้มล้างความสุขที่มีอยู่ภายในใจของเราไปได้เลยจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างความเพียรมาภาคภิดปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ต่างๆนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพนิษฐพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแกร่เวลา